เอาแล้วตอนนี้ข่าวกระจายไปแล้วนะผลจากข่าวนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหายของท่านพระนันะทน ะ, นนะก็ร้องเรียกท่านพระนันทะด้วยคำว่าเป็นลูกจ้างบ้างนะเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงไถ่มาบ้างหมายถึงไถ่ถอนตัวมาเนี่ยทรงไถ่มาบ้างท่านประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุ น, นางอับอับสอนบ้าง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้รับรองท่านเพื่อให้ได้นางอับสอนประมาณห้าร้อยซึ่งมีเท้าดุดุดนกพิราบบ้างพูด ง, ง่ายว่าโอ้โหเขานี้ข่าวก็สะพัดอ่ะสิวัพอข่าวสะพัดไปเนี่ยเอาง่ายง่ายสมมติว่าเราไปก่อเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะใครๆเข้ามาเจอเราเขารู้ข่าวใช่ไหมตอนแรกนี่เป็นข่าวลือก่อนคือคือได้ยินลือมาพอจะยินลือมาครานี่พอมาเจอเจ้าตัวเนี่ย คนโน้นก็มาทักละคนนี้ก็มาทักละนะทักพระนันทะนับบอกเอา้านี่ได้ค่าวว่าท่านเนี่ย ป, ปฏิบัติธรรมนี่เพราะเพราะเออเพราะว่าเพราะอิสตรีเหรอเพราะเพรเรื่องผู้หญิงเหรอถึงได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอา้าวบางคนก็ถามอย่างนี้เอาบางคนก็มาถามใหม่นะถามว่าเอา้าที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นลูกจ้างเลยสิ เพราะว่าอะไรทำไมถึงบอกว่าเอ๊ะท่านปฏิบัติทำอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นลูกจ้างทำไมอ่าเพราะว่าต้องการสิ่งตอบแทนนะเพราะว่าลูกจ้างนี้หมายถึงว่าทำงานให้เขานะพอทำเสร็จแล้วก็ได้รางวัลได้ได้เงินหรือว่าได้สิ่งของเนี่ยตอบแทนกลับมาอย่างนี้เรียกว่าลูกจ้างใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นก็เท่ากับว่าออ อยู่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงอา้าวศาสนานี้เป็นถือว่าเป็นของผู้เจ้าเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยายามจะสืบต่อศาสนานเนี่ยคือประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเนี่ยปฏิบัติเพราะว่าต้องการนางอักษร น, นี่เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าต้องการสิ่งตอบแทนมาเป็นรางวัลรางวัลของตัวเองนะบอกอา้าอย่างนี้ก็เป็นลูกจ้างหรืออย่างนี้บอกว่าโอ้อยังงี้นี่ท่านปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ถือว่าผู้เจ้าท่านไถ่ตัวท่านมาเนี่ เข้าใจไหมเนี่ยว่าอ๋ออย่างนี้ก็เท่ากับไทยตัวมาสิต้องมีของอมาเอาม า, า, มาแลกเปลี่ยนให้ไงแล้วคนนี้ถึงจะจะพ้นมาได้หมายถึงว่าถ้าปฏิบัติรรมาเนี่ยใช่ไหมหมายหมายถึงว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะหลุดพ้นหรือว่าจะไปเป็นพระอารหันต์อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าจะอย่างนี้เนี่ยที่พ้นมาได้หรือหลุดจากความเป็นทาตมาได้เนี่ยหลุดจากความเป็นทาตมาได้เนี่ยเพราะว่า พระพุทธเจ้าท่าไปถ่ายตัวมาให้เลยพ้นจากความเป็นทาตมาหรือพูดง่ายๆว่าอ๋อนี่ที่รอดไม่สึกไปนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าไปถ่ายตัวมาให้อย่างเงี้เหรอถึงได้ไม่สึกนั่นแหละนะเนี่ย โ, โหเพราะงั้นก็เลยโดนทักเยอะแยะไปหมด น, นตอนนี้บ่อยครั้งเข้าท่านพนันทะก็อึดอัดระอาเกลียดชังด้วยคําพูดเช่นนั้น เพราะชักทนไม่ไหวไหม่เกันนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปใช่ไหมเดี๋ยวเราคนนั้นเจอก็อา้าวยกอาจจะมาย ก, ย ก, ย, กยกอย่างแบบของจริงเนี่ยบางทีพระเนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยพอสึกไปนะหมายถึงว่าพระแบบของเราเนี่นะพระแบบชาวโศกเนี่ยพอสึกไปเนี่ยที่รู้สึกขมขืนหรือว่าที่รู้สึกลำบากใจมากๆก็คือ จะต้องเจอคําถามที่ว่าโอ้ทาไมถึงศึกไปล่ะก็ใช่ไหมคือเขาจะถามเหตุผลเนี่ยแล้วถ้าเราตอบไปแบบชนิดที่เรียกว่ามันง่ายๆนะหรือแบบคุ้มเครือเนี่ยเขาก็จะพยายามซอกแทกซอกแทกนะเจาะลึกเพื่อที่จะอ้าวบางทีเราไม่ตอบนี่เขาก็พยายามนะเรื่องนู้หรือเปล่าเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องนั้นหรือเปล่าก็ไปที่ไหนโพลไปที่ไหนเขาก็ต้องเอาแล้ว บางทีก็แก้งชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เสร็จในสุดก็ต้องมาลงแแมะที่เรื่องเนี้ยเออแล้วทําไมถึงศึกละ่ะมันเรื่องอะไรอะ่ะเ อ, อ๊มันไม่น่าต้องถึงขนาดนั้นนะอันนี้ทนได้ยากนะเพราะจริงๆแค่ศึกนี่ก็โอ้โหลําบากใจน่าดูแล้วละอายน่าดูแล้วเสร็จแล้วยังจะต้องมาเจอคนมาซักมาถามมาอะไรนะอั น, นี่อาตจมายกตัวอย่างเรื่องศึกเท่านั้นเองแต่จริงๆไม่จําเป็นม่าจะต้องเหมือนกับพระศึกนะ จริงๆเราไปทำผิดอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็เรื่องมันแดงออกมาแล้วอะนะข่าวมันก็กระจายออกไปใช่ไหมคนนั้นคนนี้ก็มาถามอย่างเงี้ยเราเองเราก็บางทีไม่อยากจะตอบเลยอายก็อายไม่อยากจะตอบกลัว ก, ก็กลัวด้วยกลัวว่าตอบไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหเขายิ่งเกลียดเราเขายิ่งไม่ชอบเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้โหอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหลายอย่างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพนันท์เนี่ยพอมาโดนถาม ไอหนุนท้าไม่นีเข้าก็เลยชักโอ้โหเบื่อละอาเซงวันสังเกตใหม่ๆนะส่วนใหญ่นะคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยแล้วเรื่องมันปรากฏแล้วยิ่งเนี่ยที่อธิายกตัวอย่างกีว่ายิ่งถ้าแบบพร ะ, พระศึกเนี่ยโอกาสที่จะโผล่มาให้เห็นเร็วๆเนี่ยยากมันจะนานบางทีโอ้โหต้องไปทำใจอีกนานเลยกว่าที่จะพร้อมที่จะรับฟังคำพูด หรือว่าโดนใครมาซักถามเนี่ยจะต้องพร้อมให้พอสมควรเลยนะเราถึงจะวางใจได้เมื่อเวลามาเจอแล้วเขาถามมันถึงจะพอทําใจได้เพราะฉะนั้นใหม่ๆเนี่ยจะหายเงียบหายต๋อมไปสักระยะหนึ่งจนกว่าจะทําใจได้ยกเว้นว่าผู้ที่ศึกไปโดยที่ไม่ได้ทําผิดอะไรหรือว่าไม่ได้อาบัตอะไรแต่ว่ามีเหตุจําเป็นจริงจรที่ทําให้ท่านต้องศึกนะถ้าอย่างเงี้ อาตมารู้สึกว่าวางใจง่ายที่เจอใครมาสักมาถามก็ตอบไปได้สบายมากถ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องหลบหน้าเลยเพราะว่ามันมีเหตุจำเป็นตอนนี้พอพระนัน้าใช่ไหโดนอย่างงี้เข้าๆก็ชักเสงเสร็จแล้วก็โดนพวกเพื่อนนะใช้ภาษาเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแซวบ้างนะแซวบ้างสักถามบ้างสักฟอกบ้างนะเออ จนกระทั่งแบบว่าไม่ไหวก็เลยอาจจะเกิดมานะขึ้นมานะก็เลยไปปฏิบัติอยู่คนเดียวเลยเพราะว่ามันเจ็บปวดเหมือนกันนะบอกอ้อนี่ท่านท่านมาบวชเนี่ยมาถือศีลปฏิบัติทำเนี่ยโพราท่านเพราะว่าท่านอยากได้นางฟ้าเหรอโอ้มันเหมือนกับนะดูห ม, มินเหมือนกันนะเหมือนกับดูหมินมันเหมือนกับอะไรบอโอ้โหแย่มากอย่างเงี้ยนั่นแหละ เพราะฉนั้นก็เลยอาจจะเกิดจิตไม่ได้ะเดี๋ยวต้องเอาให้สําเร็จให้ได้ต้องให้บรรลุให้ได้ก็เลยไปข่าเคร่งปฏิบัติจนบรรลุกลายเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยนี่ดูนะกําลังอยากจะศึกเนีะแต่ว่าในที่สุดโอ้โหมาได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่นานนักด้วยนะไม่นานนักฟังดูให้ดีไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเป็นหลายหลายปีเปล่าเลยท่านก็ต่อสู้กับ คำที่คนมาซักมาถามนะเหมือนกับดูมินเหมือนกับดูแคนอย่างนี้แหละนะแล้วก็พยายามปฏิบัติจนบรรลุได้เลยวันนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีวันนะัดงามยิ่งนักยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระนันทะได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แล้วแหมมีเทวดามาบอกคำว่ามีเทวดามาบอกพระผู้เจ้าหมายความว่า หมายความว่าใครมาบอกหมายความว่าใครมาบอกพระพุทธเจ้ า, อ, าอ่ามาพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆแล้วเทวดาก็ไม่ถึงสภาวะจิตนะที่ดีจิตที่เจริญจิตที่สูงแล้วเนี่ยนะจิตที่ลึกซึ้งเพราะนั้นไม่ไม่ได้มีเทวดาไม่ได้มีมนุษย์คนไหนมาบวมาบอกพระพุทธเจ้าหรอกจริงๆก็แล้วหมายถึงว่าจิตหรือว่าหมายถึงญาณของพระพุทธเจ้าท่านเองนั่นแหละ ณที่ท่าน อ, อ้อรู้ว่า อ, อ้อขณะนี้นี่พนันทะเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะอันนี้พูดโดยทรมาธิฐานแต่เวลาเนี่ยเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะพูดเป็นปุขลาธิฐานก็ต้องมีตัวตนมาบอกเ e พื่อเจ้าให้รู้เหตุนี้แม้ยานก็ได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคได้รู้เช่นกันว่าพนันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต<ร>ิปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เห็นไหมจิตผู้เจ้าท่านเองถ้ามีญาณอย่างรู้เองครั้นพอร่วงราตีนั้นไปท่านพนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงรับรองข้าพระองค์เพื่อให้ได้นางอับสร500ซึ่งมีเท้าดุดนกพิราบข้าพระองค์ขอปลดเปลื่องพระผู้มีพระภาคจากการรับรองนั้นด้วยเถิดคือจิตของพระนันทาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกต้องเลย ว่าเอจะต้องให้พระเจ้ารับรองด้วยเหรอว่าว่าถ้าเราจะไม่ถ้าพระนันานเนี่ยจะไม่ศึกเนี่ยใช่ไหมจะปฏิบัติทำต่อไปเนี่ยรับรองว่าเธอได้นางฟ้า5 0 0นี้แน่แใช่ไหมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกต้องอยู่เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับมาขอโทษเหมือนกับมาเหมือนกับมาขอคขอมานะหรือว่าในนี้เขาใช้คาว่าเนี่ยก็มาปลดเปื้อง เพราะว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยที่ท่านรับรองไปเนี่ยก็เพื่อจะช่วยพระนันทะใช่ไหมเพราะฉะนันพระนัน t h ก็รู้สึกว่าเอตัวเองนี่ไม่ควรเลยตัวเองนี่ไม่ไม่น่าจะไปทําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเอต้องมาปล ด, ปลดคําพูดของของพระพุทธเจ้าที่ให้คํารับรองไว้เนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนันทะ เมื่อเราก็กำหนดรู้ใจของเธอด้วยใจของเราว่านันทะทําทให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่ง เ, งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่แม้เทวดาก็ได้บอกเนื้อความนี้แก่เราเช่นกันพระนันทะพระอ๋อก็ได้บอกบอกเหมือนกันนะ ดูก่อนนันทะเมื่อใดแลจิตของเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเมื่อนั้นเราพ้นแล้วจากการรับรองนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยบอกว่าถ้าพระนันทะเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นพระ อ, อาหารเมื่อไหลเนี่ยคำรับรองที่เรารับรองไปเนี่ยสมมุตินะคนอื่นจะมาบอกว่าโอ้พระเจ้านี่ทําไม่ถูกต้องเลยทําไมเหมือนกับไปเตะสินบนพระนันทะอย่างนี้ ทำไมจะต้องเอาเหยื่อเหมือนกับเอาปารามาล่อพระนันธาอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าไอ้คาพวกนี้นี่จะตกไปทันทีเลยคนเขาจะมาติขีดดินทาอะไรนี่จะปวยง่ายว่าจะไม่มีผลเลยถ้าพระนันทานี้ปฏิบัติสําเร็จใช่ไหมได้เป็นได้เป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยบอกว่าคําเหล่านั้นฮนะมันมันหมดไปทันทีเลยไม่เพียงแต่คนจะมาติหรือว่ามาว่าพระเจ้าเท่านั้นนะ คนยังจะโอ้โหต้องคิดด้วยว่าเอพระพุทธเจา้านี่ท่านใช้อุบายอย่างเงี้ยใช้กุศโลบายอย่างงี้โอ้โหทำให้คนเป็นพระอาหารหันได้นะ <Okay. S 1> แทนที่จะมาตีมาว่าเนี่ยเพอๆจะมาชมหรือว่าจะมายกย่องด้วยซ้ำไป mm hmm. ฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสมมติพ่อานทนท่าทำ้สําำเร็จอะ ก็ น, นันทสีคนเขาก็ต้องติที่บอกว่าเนี่ยไอ้แมะโอ้มาใช้วิธีอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่าจะทําให้พนันทะสําเร็จอะไรเลยเห็นไห ม, ไมพระผู้เจ้าบอกว่าเนี่ยจะไม่มีใครมาติมาว่าเราเลยนะผูดง่ายว่าไอ้คาจะติชินินทาอะไรเนี่ยจบลงทันทีเลยถ้าพนันท์ธะสาเร็จแต่พระผู้เจ้าท่านก็บอกไว้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเธอเธอจะทําสําเร็จพระพเจ้าท่านบอกบอกไว้แล้ว ก็เพราะว่าผู้เจ้าท่านรู้นะซีว่าพระนันทานี่สำเร็จแน่แท่านถึงกล้ารับรองถ้าท่านถ้าท่านไม่มียานรู้มาก่อนเนี่ยว่าพระนันทานเนี่ยจะสําเร็จนะท่านก็คงไม่รับรองหรอกเพราะว่าเสี่ยงทําอย่างนี้นี่เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่คนเขาจะดินทาว่าร้ายหรือว่าเพ่งโทษหรือว่ามาเก่าเก่าวอะไร กล่าวหามาเก่าไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยได้แล้วก็บางคนอาจจะไม่ศรัทธาด้วยใช่ไหมสมมตินะยกตัวอย่างเอาสมมติว่าเอาเราในที่นี้ก็ได้แหมคุณพูดได้ได้ฉมังเลยนะใช่มันมีสิทธิ์ส่วนนั่นแหละพระเจ้าท่านมีตัดเอาไว้นะพระเจ้าท่านก็มีตัดเอาไว้ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าไม่มียานถึงขนาดอย่างผู้เจ้าท่านจริงแล้วเนี่ยท่านจะไม่ไปพยากร น, นะโดยผู้เจ้าเนี่ยท่านจะไม่ไปพยากรณท่านจะไม่บอกโน่นบอกนี่บอกอะไรเลยเพราะว่าอาตมายังเคยเอาคําตัดของผู้เจ้าเนี่ยมาบอกให้ฟังเลยว่าว่าการที่ใครเนี่ยไปทําคุณวิเศษประเภทอย่างเงี้ยนะไปทําแล้วแต่จริงๆตัวตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นจริงเนี่ย ถ้าไปทําแล้วนี่จะเป็นการทําลายตัวเองจะเป็นการทําลายตัวเองแต่ตอนนี้ผู้เจ้านี้ท่านท่านแม่นไงนะแล้วท่านมียาจริงเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากอีกอย่างหนึ่งของอจินไต่ข้อหนึ่งของอจินไต่คืออะไรอะไรที่รู้แต่ยาก เอาเรื่องโลกโรคนะแหมเราไปด้นเดาเราไปบอกไก่เกิดก่อนไข่อะไรนี่อจินไต้นะเอาล้อะไรอีกเรื่องอะไรอีกอจินไต้มีกี่ข้อเนี่ยสข้อเอาอะไรมัง่งเรื่องโรคโรคหนึ่งเรื่องแนละ้วเรื่องที่สองเรื่องเรื่องก ร, รมเอาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะ อัจฉาสาิยหรือว่าวิสัยของผู้เจ้าเนี่ยคนจะไปรู้ได้ยากเพราะบางทีเนี่ยท่านจะทําให้นั่นท่านจะทําให้นี่เนี่ยบางคนนี่อาจจะคิดผิดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยได้ว่ า, ว, าว่าท่านทำไปอย่างนั้นโอ้ยงี้ไม่ดีงี้ไม่ถูกอะ่ะแต่จริงๆแล้วผู้เจ้าท่านรู้อยู่ว่าท่านทําอะไรนะถ้ายกตัวอย่างเดียวเนี่ยบางทีอย่างพวกเราบางคนเนี่ย โอ้พอท่านทาอย่างนั้นน่ยไม่เห็นจะเข้าท่าเลยก <c oughs> ็ใจไหมอาอาจจะเรื่องแต่งเพลงอาจจะเอาวีดีโอมาฉายให้พวกเราดูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เข้าท่าเลยเอา่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันเป็นเรื่องยากอยู่ที่ว่าว่าภูมิธรรมเราเนี่ยมันระดับหนึง่งนะภูมิธรรมพ่อท่าน อ, อีกระดับหนึ่งพราะเราเนี่ยจะไปรู้ผู้ที่มีภูมิธรรมสูงกว่าเนี่ยยากเพราะว่า การคิดการพิจารณาการตัดสินหรือว่ายานอย่างรู้เนี่ยเรายังรู้ไม่ถึงวันบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าทําไปแล้วเนี่ยคนจะเข้าใจได้ง่ายมายถึงว่าคนสามัญทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายวันผู้เจ้าท่านถึงได้บอกว่าบอกนี่เป็นอาจินตายอย่างหนึ่งสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าไอ้อะไรอ่ะการกระทําบางเรื่องบางอย่างเนี่ยโอ้ เข้าใจได้ยากบางที่อาจะมายังเคยนึกๆอยู่เลยนะสมัยก่อนตอนอ่านใหม่ๆที่แบ่งเป็น3าส่วนอะภิกษุอะห0สรูปหกิบรูปห0สิรูปอะที่พระเจ้าทันเทศเสร็จแล้วโอ้โห ต, ตายไปห0สลาศึกไปห0สแล้วก็สำเร็จบรรลุธรรมไปห0สมายัางนึกๆอยู่เอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่านี่ แต่สาหรับผู้เจ้าแล้วท่านาท่านถือว่าคุ้มอ่ะใช่ไหมมันยังมีเนี่ยอะไรลึกๆอีกหลายอ ย, าอย่างซึ่งบางทีเราเราก็คิดไปตามภูมิของเราซึ่งบางทีภูมิเรามันก็แค่นี้ก็คิดไปว่าถูกอย่างของเราแต่มันอาจจะผิดสําหรับของผู้ที่เขามีภูมิสูงกว่านะเนี่ยมันต่างกันตรงนี้อันนี้พอผู้เจ้าท่านบอกว่าเนี่ยถ้าเธอสําเร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรา พ้จากการรับรองกันแหละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงเป่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุใดข้ามเปลือกตมคือกามได้แล้วย่ำยีหนามคือกามได้แล้วภิกษุนั้นบรรลุถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ คันพิสูทั้งหลายได้ทราบเรื่องนี้แล้วจึงประชุมกันในโรงธรรมว่าดูก่อนอาวุโสท่านพระนันทะรูปนี้อดทนต่อคำสอนของพระาศาสดาตั้งมั่นฮิลิและโอตะปะไว้ด้วยโอวาทครั้งเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าผู้เจ้าเนี่ยท่านรับรองไปประโยคเดียวเท่านั้นเองที่บอกว่าตอนที่ดึงแขนพาไปชั้นดาวดึงเนี่ยนะแล้วบอกอ้าว ถ้าเธออยากได้นางฟ้า5้0หนางนี่นะเรารับรองว่าเธอได้แน่นะเนี่ยถ้าปฏิบัติทำให้ยิ่งยิงขึ้นจนบรรลุเนี่ยใช่ไหมคื อ, อผู้เจ้าพูดแค่ครั้งเดียวนั่นเองรับรองไปเพราะครั้งเดียวเนี่ยก็พนันท่า น, นี่ก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเลยเพราะนั้นพิกษุก็เลยโอ้โหมาคุยกันใหญ่เลยบอกโอ้โหนี่ฟังแค่ประโยคนั้น ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็แม้เกิดพลังเกิดจิตที่จะบันดลบันดาลให้ไปภาคเพียงปฏิบัติจนบรรลุได้ท่านแมเนี่ยบอกว่าด้วยโอวาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะพิกษุก็เลยคุยกันใหญ่เลยพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนันทอดทนต่อคําสอนของเรา <c oughs> อดทนต่อคําสอนของเรามิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ก่อนก็อดทนต่อคําสอนของเราเหมือนกันแล้วทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเล่าเมกี้นี้แค่ไตเติชาดกจริงๆนี่จะอยู่ จะเริ่มอยู่ตรงนี้พระเกตจะเริ่มสังคามาวาจรชาดกว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตสเสวรยราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีได้บังเกิดทารกน้อยขึ้นในตระกูลคนฝึกช้างครั้นเติบใหญ่จเจริญไวกระทั่งร่ำเรียนสำเร็จศิลปะฝึกช้างแล้ว คราวนี้แปลกหน่อยนะวา่าเป็นคนอะไรเป็นเกิดอยู่กับตระกูลของคนพูดง่ายๆว่าคนเลี้ยงช้างคนฝึกช้างเนี่ยนะจนกระทั่งเรียกว่าตัวเองก็เรียนการฝึกช้างจนกระทั่งสําเร็จขึ้นมาก็เข้ารับราชการกับพระราชาผู้เป็นศัตรูข อ, รของพระของพระเจ้าพระราศีพระองค์หนึ่ง คือปรากฏว่ามันมันแปลกตรงจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในแว่นแคว้นของพระเจ้าพรหมทัตแต่พอเติบใหญ่ไปร่ำเรียนวิชาฝึกช้างสำเร็จปับ๊บใช่ไหมก็ไปรับราชการอยู่กับอีกเมืองหนึ่งนะไปทำงานอยู่กับอีกเมืองหนึ่งไม่ได้อยู่เมืองที่ที่ตัวเองเคยอยู่ ละเมืองนั้นก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าพมรทัดด้วยได้ทําการฝึกหัดช้างมงคลของพระราชานั้นไว้แล้วเป็นอย่างดีพระราชานั้นทรงนําริว่าเราสมควรจะยึดราชสมบัติในกรุงพระณสีเอาไว้ดังนั้นจึงชวนคนฝึกช้างขึ้นช้างมงคนเสด็จไปล้อมกรุงพระนสีด้วยกองทัพใหญ่ แล้วทรงส่งสารถึงพระเจ้าพรหมทัตว่าจะยกราชสมบัติถวายหรือจะรบกันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะโตที่กรุงพราณสีลำเรียนวิชาฝึกช้ชางเสร็จกับไปอยู่อีกเมืองหนึง่งเป็นข้ารับใช้อยู่ที่อีกเมืองหนึง่งพอดีนี่พระราชาพระองค์นั้นก็แหมหมายจะมาตีกรุงพราณสีอีก แล้ว ก, ก็ชวนคนฝึกช้างเนี่แหละ <c oughs> นะขี่ช้างมงคลมาเพราะว่าเป็นคนฝึกช้างนี่ง่ายให้พามาเลยเนี่ยแล้วก็ส่งสารทารบพระเจ้าพรหมทัตตอบว่าเราจะรบอาไม่ยอมเหมือนกันนะแล้วรับสั่งให้พล น, นนิกายประจําที่ประตูกําแพงและป้อมค่ายเตรียมรบดังนั้นพระราชา ฝ่ายคนฝึกช้างจึงสั่งเอาเกราะหนังสวมช้างมงคลแม้พระองค์เองก็สวมเกราะหนังเสด็จขึ้นคอช้างทรงพระแสงขออัญมณมกริบสายช้างมุ่งสู่พระนครด้วยทรงหมายพระไยว่าจะทำลายล้างพระนคพรพาราณสีปราบศัตรูให้ราบคาบแล้วยึดเอาราชสมบัติให้จงได้ จึงยกทัพเข้าโจมตีช้างมงคลเห็นทหารซัดซรายอันร้อนจากบนกำแพงเมืองปล่อยหินและเครื่องประหารหลายๆอย่างก็หวาดกลัวต่อความตายไม่กล้าเข้าใกล้ประตูเมืองจึงหลีกออกไปห่างก็ปรากฏว่าพระราชานี้ก็ต้องนำทัพใช่ไหมพอนำทัพเสร็จ คนคนฝึกช้างนี่ก็ต้องไปด้วยใช่ไเพราะว่าเป็นเป็นผู้อะไรอะ่ะดูแลช้างอยู่เคยเคยเคยได้ยินไหมสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีเขาจะต้องมีคนคอยระวังขาช้างอยูอย่น้อยๆสี่เท้าเลยนะพวกทหารที่จะต้องระวังใช่ไหมแลก็จะต้องมีคนที่เป็นคนเลี้ยงช้างเนี่ยเออเป็นควานช้างเป็นผู้ดูแลช้างเนี่ยอยู่ข้างหน้าอีก ใช่ข้างหลังยังต้องมีประกบข้างหลังระวังอีกนั่นแหละตอนนี้พอปรากฏว่าช้างชักกลัวเหมือนกันไม่กล้าเข้าไปเห็นโอ้โหทรายกรเทรลงมาหินก็ทิ้งลงมาก็เลยไม่กล้าเข้าไปตอนนี้นายหัตถอาจารย์นายหัตถาจารย์าารก็คือกนฝึกช้างนั่นเองเห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปหาช้างมงคลพูดให้กำลังใจว่าดูก่อนกุญชร ท่านปรากฏว่าเป็นผู้เคยเข้าสงครามมีความแกล้วกล้ามีกำลังมากจงเข้าไปใกล้เขือนประตูเถิดยายจึงถอยกลับเสียเล่าท้อถอยอย่างนี้ไม่ใช่นิสัยของช้างศึกเลยแสดงว่าช้างนี่เคยลบมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยลบแต่ทำไมคราวนี้ถึงกลัวขึ้นมาก็ไม่รู้ดูก่อนกุญชอ ท่านจงหักลิ่มกรอนถอนเสาระเนียดและทําลายเขื่อนทั้งหลายแล้วเข้าประตูให้ได้โดยเร็วให้สมกับความเป็นช้างศึกมหามงคลของพระราชาเถิดช้างมงคลได้ฟังดังนั้นก็หวนละลึกได้ถึงความองอาจที่เคยมีจึงบังเกิดพลังใจขึ้นจึงหันกลับ จึงหันกลับไปสู้เพราะคำสอนของคนฝึกช้างที่กล่าวเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วใช้งวงพันเสาระเนียดถอนขึ้นเหมือนดังถอนเห็ดฉะนั้นบุกทำลายเสาค่ายพังกรและประตูเมืองเข้าพระนครยึดราชสมบัติถวายพระราชาของตนจนสำเร็จได้ปรากฏว่าช้างนี้กับ ฟังประโยคเดียวม่งก่นไนะไม่ใช่ประโยคเดียวอะก็จะเรียกอะไรคราวเดียวนะมันไม่ใช่ประโยคเดียวฟังแค่คราวเดียวเท่านั้นเองพูดไปให้ฟังไม่กี่ประโยคนี่แหละครั้งเดียวเท่านั้นเองก็ฮึกเหมิมขึ้นมาเลยมีกําลังใจที่จะต่อสู้ได้พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วตรัสว่าช้างในครั้งนั้นได้เป็นพระ พระนันธะในครั้งนี้ส่วนนายหัตถาจารย์ก็คือเราตถาคตนี้แลแม้เนื้อชาตดกนิดเดียวเองแต่แต่ไ ต, ต, ตเต้นยาวกว่าเนื้อเรื่องอันนี้เนี่ยเป็นแง่คิดตรงที่เรียกว่าฟังดูนะว่าฟังแค่จะมาสมมุติว่าเป็นประโยคเดียวแล้วกันนะแต่จริงๆไม่ใช่ประโยคเดียวนะมันเป็นแบบอะไรอะย่อหน้านึงอนะ นะมันเป็นหลายๆประโยคนะหลายบรรทัดหน่อยอะ่ะแต่ฟังแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะพะนันธานเนี่ยก็ฟังผู้เจ้าแค่ครั้งเดียวช้างนี่ก็ฟังคนคนฝึกช้างเนี่ยแค่คราวเดียวเท่านั้นเองนะก็เกิดกำลังใจเกิดพลังที่จะไปพิชิตศัตรูหรือว่าไปฆ่าศัตรูให้ได้นะศัตรูในที่นี้ก็หมายถึง อะไรคือศัตรูสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือกิเลสนะสามารถที่จะโอ้เอาไปถล่มทลายนะไปพังประตูไปสามารถที่จะถอนเสาเรเนียรนะสามารถที่จะอะไรอะทำทำกรอนให้หักไปเนี่ยจะให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วต้องบารมีพอสมควรต้องมีการเอาจริงเอาจังเนี่ยต้องมากพอนะมันถึงจะมีพลังมาก เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นสายเจโตเนี่ยที่บรรลุทำได้ไวเนี่ยเพราะว่าโอ้โหทุ่มพอเวลาเกิดเข้าใจอะไรเนี่ยนะมีสภาวะจิตที่โอ้โหเข้าใจอะไรแล้วใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเด็ดเดียวเนี่ยมันมุ่งมั่นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสายเจโตเนี่ยจะทุ่มเต็มที่เลยเพราะมาทุ่มเต็มที่เนี่ยพลังมีทั้งหมดเนี่ยทะลุทะลวงเพื่อที่จะให้บรรลุผลสาเร็จให้ได้เพราะนั้น สายเจโตนี่จะบรรลุทำไวส่วนสายปัญญาเนี่ยถึงได้ช้าแบบภาษาริบุตรเนี่ยก็ช้ากว่าพระโมกขลานะเพราะอะไรเพราะสายปัญญาเนี่ยพิจารณามากนะดูทางดีทีไล่เอาไว้ก่อนยังไงก็นะมันมีหมดอะดูข้างหน้าจะบุกดีไม่ดูข้างหลังนะถ้าเกิดจะถอยทางสะดวกหรือเปล่านะมันต้องมันต้องมีจิตเฉลี่ยอยู่เรื่อยนะคอยข้างซ้ายข้างขวา ต้องดูหน้าดูหลังอะไรพวกเนี้แต่บางทีนะถ้าเป็นสายเจโตบางทีไม่ต้องไปดูมากหรอกไอ้ข้างๆก็ไม่ต้องแงะไอ้ข้างหลังไม่ต้องเหลียวนะข้างหน้าลุยลูกเดียวนะผังประตูมันก็ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าถ้าไม่แน่จริง น, นะนะไปหมดแรงเราตรงริมกําแพงเขาก็เททรายเทเทหินลงมาทับตายนะ นะฮะนเจโตก็ต้องแข็งก็ต้องแข็งจริงๆถ้าแข็งจริงจริงแล้วสำเร็จเร็วแล้วก็ไวถ้าเจโตอ่อนแต่แต่บ้าระห่ำว่ะนะ <c oughs> เจโตอ่อนแต่บ้าระห่ำนะเพราะว่าสภาวะจิตมันเป็นอย่างันนี้มันเป็นสายเจโตเนี่ยมันจะทําไปเลยนะแต่พอทําไปหน่อยเนี่ยมันมีความอดทนพอไงไม่มีความอดทนพอพอทําไปได้หน่อยนเนี่ยมันหมดพลังใจแล้วโอ้โหข่าวนี้และไอ้หนุไอ้นี่ละกุ้มลุมหน้าดูเลยละ กเลสตัวนั้นตัวนี้เนี่ยเข้ามากุ้งลุมหน้าดูเวลาตกก็ตกลึกเลยนะสายเจโตเนี่ยโหถ้าตกแล้วตกลึกเลยนั่นแหละถ้าบรรุ ก, ก็บรรลุไปเลยแต่ถ้าควา่ําแล้วก็แย่ยิ่งกว่าสายปัญญาเลยฮะขึ้นยากก็สิเพราะมันตกลึกมันก็ขึ้นยากก็สิเพราะบางทีนี่ไม่เอาเลยนะ พอเข็ด <K ET> อะไรเนี่ยนะสายเจโตเข็ดนีน่น้องนีโหทิ้งเลยนะเพราะอย่างสูมว่าเป็นพวกสายเจโตเวลาโกรธใครไม่พอใจ ใ, ใครเกลียดใครเนี่ยเลิกเลยไม่ต้องมามองหน้ากันไม่ต้องมาเห็นกันไม่ต้องมาพูดด้วยนะจะห้าปีสิบปียี่สิบปีอะไรก็แล้วแตว่เอาอย่างนั้นเลยนะจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นสายปัญญาเขาไม่อย่างนั้นหรอกไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูเทียว จริงๆก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ไปแบบโอ้โหต้องเอากันแบบคอขาบาดตายจะไม่อย่างนั้นจะบอกแล้วว่าจะมีการปณิปันอมสายปัญญาเนี่ยจะค่อนข้างมีการปณิปันอมจะมีการยืดยุ่นจะมีการพูดจาเออแบ่งสู้แบ่งรับอะไรเงี้ยนะที่จะออพอตกลงกันได้พอหยุนกันได้บังก็ยังพอคุยกันคือไม่ไม่ไม่ถึงกับจะเป็นแบบ หนักนวนลุนแรงแบบสายเจโตเพราะนั้นเนี่ยอย่างในเรื่องนี้พ ร, พระนันทะนี่ในที่สุดเนี่ยนะรรลุปเป็นพระานแล้วได้เป็นเอกทักคะเนะี่ะเอกทักคะในเรื่องของผู้ที่สำรวมอินทรีย์ชั้นเยี่ยมนะเอกทักคะนี่หมายถึงว่าเป็นเยี่ยมจนคือเป็นเอกหาคนอื่นเทียมทัดเทียมไม่ได้เพราะนั้นพระนันทะนี่ เป็นผู้สํารวมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเยี่ยมเหนือกว่าเหนือกว่าภิกษุอื่นเลยของของพระเจ้าที่มีอยู่จากการที่โอ้โหคิดถึงนางชนบทกระยาณีนะโอ้โหโดนกามกุมลุมซึ่งซึ่ ง, งถ้าเป็นลักษณะ น, นี้นะกล้าพูดด้ยนะบอกว่าโอ้โหคิดถึงอ่ะอยากจะศึกแล้วถ้าพูดอย่างนี้คือจริงๆไม่สํารวมนะโอ้โหยอมแพ้ แต่ในที่สุดจากผู้ที่ไม่ค่อยสํารวมนี่นะไม่สํารวมใจไม่สํารวมวาจาอ่าแลกลายก็โอ้โหกสันแล้คิดถึงคิดถึงนางสาวกิยานีแล้วเนี่ยจากผู้ที่ไม่สํารวมเนี่ยโอ้โหปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตตจนกระทั่งบรรลุเนี่ยกลายเป็นผู้ที่สํารวมเยี่ยมที่สุด